Thank you. ก็จะเป็นวันออกพรรษาหลายคนก็ใจจดใจจ่อรอให้มันออกพรรษามาถึงวัยวยิ่งตอนที่มาประชิดนะอีกไม่ถึงย4บชั่วโมงนะก็วันออกพรรษาหลายคนก็ จ, จะปล่อยใจ้อยนะหรือว่าก็ดีใจว่าใกล้มาถึงแล้วนะพอดีใจแล้วก็เลยย่อหย่อนในการ ทำความเพียนย่อหย่อนในการปฏิบัติอันนี้ต้องวางใจให้ถูกนะยิ่งใกล้จะถึงวันออกบรรษานี่ก็ยิ่งควรจะทำความเพียนนะเพราะว่าออกบรรษาแล้วก็อาจจะต้องสึมหาลาเพศไปหรือว่าต้องกลับสู่เย้าเรือนกลับสู่ชีวิต ที่คุณเคยในโลกกว้างก็อาจทำให้การปฏิบัตินั้นไม่สามารถจะทำได้เต็มที่นะดัะนั้นยิ่งต้องนะเป็นเหตุผลให้ต้องทำความเพียรมากขึ้นอย่าปล่อยใจให้เพลินนะไปกับนะวันออกพรรษาที่กำลังจะมาถึงหรือว่าวันที่จะได้สึกหาราเพศออกไปหรือวันที่ได้กลับบ้านแม้ว่าใจมันจะรู้สึกพองนะว่าเออ วันที่เรารอคอยกามาถึงแล้วดีใจยังไงก็อย่าทิ้งการปฏิบัติบางทีมันก็ห้ามไม่ได้นะไอ้ความดีใจเนี่ยแต่ว่าก็ถึงจะดีใจยังไงก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติเช่นเดียวความเสียใจความเศร้าโศกความอะไรอาวอนมันก็ห้ามไม่ได้อย่างที่พู้ไปแล้วเมื่อวานมีความห่วงใยมีความผูกพันใ น, ใ น, ใ, นในหลวงอนะ่ะพอพระองค์เสด็จสวรรดคตก็ รู้สึกอ้างว้างรู้สึกเศร้าโศกอะไรแต่ถึงแม้จะเศร้าโศกยังไงก็อย่าทิ้งการปฏิบัติเช่นเดียวกันนะดีใจก็ปฏิบัตินะเสียใจก็ปฏิบัติฝนตกแดดออกยังไงก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติแม้แต่น้ำท่วมแผ่นดินไหวนะมันก็ไม่ใช่โอกาสที่เราจะละทิ้งการปฏิบัติก็ยิ่งต้องทำการปฏิบัติ ให้มากขึ้นโดยซ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะตอนที่พระเจ้าได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารเนี่ยหลังจาออกภรษาแล้วเนี่ยก็มีพระภิกษุทสงจำนวนมากเลยนะที่ตกใจแล้วก็เสียใจนะทำใจได้ยากก็ทำอะไรไม่ถูกเลยนะส่วนใหญ่ก็นั่งจับกลุ่มนะทำนองปรับทุกข์กันนะ มีการปรึกษาหารือกันบ้างปรับทุกกันนะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นเพื่อนทุกเสมอกันกนะ็เลยนะอดไม่ได้ที่มาปรับทุกกันปรึกษาหารือเป็นกลุ่มๆแต่มีพระรูปหนึ่งนะท่านท่านตรหนักว่าในเมื่ออีกไม่นานนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะเสด็จดับคันเปรติพานจะไม่อยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่พระองค์ยังอยู่กับเราต้องรีบทำความเพียรก็เลยปลีกตัว ออกไปทาความเพียรปฏิบัตนะิไม่ได้ไปจับกลุ่มปรึกษาหารือหรือว่าปรับทุกข์กันพาลุ่อื่นเนี่ยนะทราบเข้าก็ไม่พอใจหาว่าพารุ่นี้เนี่ยไม่จงรักภักดีต่อพ ร, พระพุทธพระพูมีพระพักเจ้าก็เลยไปทูลฟ้องนะพระองค์พระองค์ก็เลยเรียกตัวมาถาม พระรูปนั้นก็ให้เหตุผลนะพอได้ฟังพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอนุโมทนาสาธุณนะสรารเสริญพระรูปนี้แล้วก็แนะนำให้พระทั้งหลายเนี่ยนับเอาพระรูปนี้เป็นแบบอย่างนะทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่จงรักภักดีนะต่อพระพุทธเจ้าจริงริงยิ่งกว่าจงรักภักดีอีกนะเพราะว่าต้องการ ที่จะปฏิบัติให้ได้อย่างที่พระพุทธพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้นะเพราะนั้นในบรรยากาศที่บ้านเมืองมันหมองอึมครึมนะกันทั้งประเทศนะด้ความเศร้าโศกด้วยความอาลัยมันก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลนะที่ทำให้เราคลายความเพียรบางทีต้องระวังนะเพราะบางทีกิเลสนี่มันฉลาดนะกิเลสเนี่ยมันมักจะหาข้ออ้าง ที่ทำให้เราคลายความเพียรเวลาเราอยากจะทำความดีอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือไม่ใช่นิสัยเนี่ยกิเลสมันมักจะหาข้ออ้างเพื่อที่ทำให้เราไม่ทำสิ่งนั้นนะอย่างเช่นบางคนอาจจะพยายามที่จะออกกาลังกายทุกวันต้องพยายามฝืนพยายามกระตุ้นให้ออกกำลังกายเช่นวิ่งจ็อกกิ้งแต่พอมีเหตุการณ์อย่างเนี้ยนะ มันก็ จ, จะหาข้ออ้างนะกิเลสบอกว่าเราตอนนี้เรากาลังเศร้าอยู่นะอย่าพึ่งตื่นเช้าลุกขึ้นมาออกกำลังกายเลยลนอนต่อเถอะนะเด็กบางคนก็อาจจะกำลังเตรียมสอบนะไอการที่จะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับเด็กบางคนนะขนาดรุ่นให้ตัวเองอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะกิเลสมันก็จะหาข้ออ้างนะ กรนะิบนะบอกว่าช่วงนี้เรานะยังไม่พร้อมนะเรายังทุกอยู่เรายังเศร้าอยู่อย่าอย่าเพิ่งอ่านหนังสือเลยนะแล้วมันก็ชวนนะให้ไปเล่นไลน์ให้ไปเล่น f เ, เฟซบุ๊กนะอ้างว่าจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีนะหรือว่ารับรู้ถึงความทุกข์เศร้าโศก ข, ของผู้คนนะมันชวนมันหลอกให้ไปให้ทิ้งการ อ่านหนังสือไปเล่น Facebook เล่น Line หรือสำหรับพระนะก็ทิ้งการปฏิบัตินะออกไปนะเล่นไปดูลายไปเล่น Facebook อ้างว่านะเพื่อจะได้ติดตามข่าวสาร น, ะนานปีจะมีสักครั้ง ช, ช่วชีวิตนี้ก็มีครั้งนี้ครั้งงเดียวแหละเพราะฉนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหน่อยน ะ, ะกิเลสมันฉลาดมากนะนะมันจะพยายามชช้โอกาสทุกโอกาสเลย ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลนะงานรื่นเริงอย่างเช่นปีใหม่เออปีใหม่แล้วนะนานๆจะมาทีนะนานๆจะเกิดขึ้นสักทีนะใครๆก็ก็ฉลองกันเราจะมาปฏิบัติทําไมนะหรือว่าให้รางวัลตัวเองสักหน่อยนะวันปีใหม่ก็มาถึงแล้วแทนที่จะลุกขึ้นมาออกกําลังกายวิ่งจอง็อกกิ้งเราพักสักหน่อยเพอเพื่มันอยู่ให้เราออกใ ห, ใ, หให้เราให้รางวัลตัวเองด้วยการไป กินเหล้านะไปเที่ยวนะนี่เวลามีเทศกาลงานรื่นเริงหรือว่างานแบบออกปรรษาเนี่ยนะมันก็หาเหตุนะกิเลสเนี่ยเพื่อที่จะให้เราไม่ทำสิ่งที่ควรทำและซ้ำยังไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยหรือว่าเวลามีงานเศร้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะเช่นในหลวงสเสด็จสวรรคตนะหรือว่า เกิดเหตุวุ่นวายในบ้านเมืองก็แล้วแต่มันก็จะหายเหตุใ่ไกิเลสเนี่ยหรือว่าเราอย่าเพิ่งปฏิบัติเลยนะเราอย่าเพิ่งลุกขึ้นออกกําลังกายเลยหรือว่าเราตอนนี้หยุดพักการอ่านหนังสือไว้ชั่วคราวนะมันจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าไม่ว่าจะจะมีเหตุร้ายหรือเหตุ ด, ดีก็ตามมันฉลาดมากในการช่วยโอกาส นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปหลงกลมันง่ายๆนะต้องรู้ทันนะถึงแม้ว่าตอนนี้มีความเศร้ามีความอะไรอาวรณ์อะ่ะก็อย่าทิ้งการปฏิบัตินะเศร้าก็ทําไม่เศร้าก็ท ำ, ทำนะดีใจก็ทําไม่ดีใจก็ทำนะก็เหมือนกันนะเวลาง่วงอะ่ะง่วงก็ทําไม่ง่วงก็ทําเบื่อก็ทําไม่เบื่อก็ทํามันจะ เราจะไม่ยอมให้กิเลสนีนะ่ช่วยโอกาสนะอ้างโน้นอ้างนี่เพื่อจะทำให้เราเลิกปฏิบัติจริงเนี่ยยิ่งมีเหตุแบบนี้ขึ้นมานี่ยิ่งต้องเป็นแรงกระตุ้นนะให้เราเนี่ยทาความเพียรมากขึ้นอันนี้พระเจ้าเคยสอนไว้นะว่าเคยเตือนเอาไว้นะว่าอย่างเช่นมีพระบางรูปเนี่ยพอเจ็บไข้นิดหน่อยกเอย็เราวันนี้เราสุขภาพไม่ค่อยดี อย่าทำความเพียรเลยนะเอาไว้วันหลังแล้วกันนี่กิเลสมัญหาเหตุนะําเอ้ยเราไม่สบายพระเจ้าก็ตัดเตือนว่าเนี่ยในยามเนี่ยแม่เราไม่สบายนะแต่ก็ให้เราลึกว่าวันหน้าอา จ, จะหนักกว่านี้ถึงตอนนั้นก็อาจจะทําความเพียรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้ไม่สบายยังทําความเพียรได้ต้องรีบทํานะอันนี้เป็น การใวยโอกาสนะของฝ่ายฝ่ายธรรมะในใจเราต้องรู้จักใชยโอกาสนะยิ่งไม่สบายยิ่งต้องรีบทำความเพียรเข้าไปใหญ่ยิ่งเป็นเหตุผลที่เหมาะสมในการที่จะทำความเพียรเพราะว่าวันข้างหน้าจะอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเวลาไปบินธบารัตนะภาบางรูปเนี่ยไม่ได้อาหารอะไรมาเลยก็เลย กิเลสก็เลยมีข้ออ้างว่าเอ้ยวันนี้เรานะไม่ได้อาหารบินธาบารเลยนะก็ควรจะพักก่อนนะอย่าทําความเพียรเลยนะมันจะเหนื่อยนะจะเป็นจะเป็นทุกข์เปล่าเปล่าในทางตรงข้าพผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยถ้าไม่ได้บินธาบารนะไม่ได้อาหารมาให้มองว่าดีเหมือนกันนะกายเราจะได้โปร่งเบานะเหมาะกับการทําความเพียรเรต้องรีบทำํำก็ไปใหญ่ วิธีของชาวพุทธเนี่ยนะจะช่วยโอกาสทุกอย่างนะเพื่อทำความเพียรนะสวนทางกับกิเลสนะซึ่งมันจะช่วยโอกาสทุกอย่างนะเพื่อที่จะเกียรติครานนะละทิ้งสิ่งที่ควรทำนะยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกตินะร้อยปีจะมีสักครั้งเนี่ยนะมันยิ่งกิเลสมันยิ่งหายเหตุใจว่าเออเราอย่า ปฏิบัติเลยนะอย่าทำความเพียรเลยนะตอนนี้เรายังเศร้าอยู่นะไม่มีอารมณ์ให้โอกาสกับตัวเองนะให้เวลากับตัวเองนะสักพักก่อนนะหายเศร้าก่อนค่อยทำนะหายโศกก่อนค่อยทำไม่ว่าจะทำความเพียรไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าทำหน้าที่อะไรก็ตามที่มันดีๆเราอย่าไปหลงเชื่อนะอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของกิเลส ที่มันจะช่วยโอกาสทุกอย่างนะแล้วมันก็จะผลิตเหตุผลสรรหาเหตุผลที่สวยรู้มาเพื่อล่อให้เราหลงนะยิ่งมีความเศร้าความโศกยิ่งต้องทำความเพียร น, นะเพราะถือว่า น, ะนาทีของเราก็ต้องรักษาใจให้เป็นปกติมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายนะเป็นการบ้านชิ้นใหญ่นะ ที่ยากที่มันสามารถจะฝึกใจให้มีสติมากขึ้นหรือว่าสอนใจให้ไม่ประมาทกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลวงพ่ อ, เ, อเขียนก็พูดอยู่เสมอนะว่าให้เราเป็นนักเฉลิโอกาสนะนักภาวนาเป็นนักเฉลิโอกาสนะนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราต้องรีบเฉวยนะไม่ใช่เปิดช่องให้กินเลทนะแต่ว่าฉลิโอกาสเพื่อจะสร้างตัวรู้ให้เกิดมีขึ้น นะใจเราเนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับเป็นสมรับภูมินะยื้อแย่งกันระหว่างกิเลส ก, กับความไฝ่ดีกิเลสมันก็พยายามยึดครองใจนะแต่ว่าเราความฝ่ดีในใจนะก็ไม่ควรยอมแพ้ ง, ง่ายๆในใจเราก็เป็นการยื้อยุดกันระหว่างตัวรู้กับตัวหลงนะตัวหลงก็พยายามที่จะมายึดครองจิตใจแล้วทุกวันนี้เนี่ย ไอ้ตัวหลงนี่มันก็ดิดครองชีวิตเราเนี่ยมากกว่ามากกว่าตัวรู้สึกนะวันวันหนึ่งเนี่ยเราปล่อยใจให้อยู่กับความหลงเนี่ยเรียกว่า80หรือ 90% ้าสิเอลยได้ซ้ำมากขนาดนั้นเชิญ น, นะก็ เ, เคยมีการศึกษานะวิจัยคนที่ทำงานนะในบริษัทนะในสำนักงานต่างๆเนี่ย ก็เพราะว่าเนี่ยเวลา8ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงครึ่งเนี่ยที่ทำงานเนี่ยมีแค่ 20% เท่านั้นแหละนะที่ผู้คนเนี่ยทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายจริงๆแค่ 20% นะอีก 80% ไม่ได้ทำหรอกใจลอยใจลอยใจลอยไปโน่นลอยไปนี่หรือไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่งานที่ตัวเองควรจะทำเช่นตอบไลน์ตอบอีเมลตอ บ, อตอบข้อความ ซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับงานเลยลืมตัวนะวันนี้ก็เรียกว่าหลงรู้ตัวเนี่ยแล้วก็ตั้งใจทำงานจริง 20% ่อีก 80% ใจไม่รู้ลอยไปไหนนี่เฉพาะเวลาทำงานนะยิ่งกลับไปบ้านเนี่ยมันมีสิ่งยั่วยุมากมายโทรทัศน์โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตสารพัดผู้คนโรงหนังห้างสปปรรพสินค้ายิ่งหลงเข้าไปใหญ่ แม้แต่พวกเราซึ่งอยู่วัดเนี่ยนะถ้าไม่หลวงตัวมก็ 80% ก็หมดไปความหลงนะเดีย๋ยวว่าแต่การใช้ชีวิตตามปกติเลยแม้แต่เวลาเราเจริญสติเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยไอ้รู้ตัวจริงเนี่ยไม่รู้ถึง 10% รเนปะล่า 90% เนี่ยมันอยู่ความหลงใจลอยไม่รู้ไปไหนนี่ขนาดปฏิบัตินะนะถ้าไม่ปฏิบัตินี่มันจะยิ่งเตลดเิดเปิดเปลงไป แค่ไหนเวลาทาวัดก็เหมือนกันทาวัานี่มันเป็นเวลาที่เราจะปลุกจิตให้ตื่นให้สว่างด้วยธรรมะนะแต่ว่าหลายคนก็ถูกความหลงครอบงำนะใจลอยนะปากสวดไปใจไม่รู้ไปไหนนะบางทีก็ไปคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างคิดถึงคนที่เราเกลียดบ้างคิดถึงคนที่เราห่วงใยอย่างตอนนี้ก็อาจจะคิดถึงในหลวงนะคิดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ย แม้แต่เวลาธรรมะเวลาที่มันเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์เวลาที่เราควรจะเปิดใจให้สว่างาด้วยธรรมะไอ้ความหลงก็ยังฉวยโอกาสมาครอบ ง, งาจิตใจเราจนมืดก็มีนะแค่รู้ตัวไม่ถึง 10% เนะอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องนะพยายามที่จะถ้าเราลักตัวของเราจริงๆเนี่ยต้องพยายามที่จะทำให้ตัวรู้เนี่ยมันเข้ามา สู่จิตใจของเราให้มากๆบ่อยๆทีๆนะให้ให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะมันรู้มากกว่าหลงนะและสิ่งที่เราจะทำให้ตัวรู้เนี่ยนะมันมีมากขึ้นในจิตใจของเราจนแล้วก็มีกำลังเอาชนะตัวหลงได้ทำให้ความฝ่ายทําฝ่ดีในใจเราเมีกำลังจนเอาชนะอากิเลตได้ สามารถรู้เท่าทันมันได้เนี่ยก็คือสตินี่แหละนะสตินี่เป็นสิ่งสำคัญสตินี่เปรียบเสมือนตาในนะเป็นเสมือนตาในที่ทำให้เราเนี่อรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันความหลงความหลงเมื่อมันเกิดขึ้นนะมันก็จะครอบใจเรานะเช่นถ้าหลงเพราะมีความโกรธ ความขมก็ครอบใจเราปรุงแต่งอะไรไปก็ปรุงแต่งในเรื่องที่ทำให้เราโกโรธนึกถึงคนที่เราโกโรธหรือเวลาเศร้าเนี่ยนะเวลาความเศร้ามันครอบงำใจนะมันก็ไม่เห็นอะไรเลยนะอาจจะนึกถึงแต่คนที่พัดพลาดจากไปคนที่อยู่ต่อหน้าบางทีไม่รับรู้นะว่าเขามีอยู่นะอย่างที่เคยเล่าภรรยาสูญเสียสามีนะซึ่งเป็นคนที่ดีมากเป็นการสูญเสียอย่างกระทันหัน ทำใจไม่ได้เลยนะเขาป่วยแค่สามสี่เดือนก็ไปแล้วไม่คิดว่าเขาจะจะตายด้วยซ้ำนะคิดว่าเขาป่วยหนักธรรมด า, าก็คิดถึงแต่สามีทุกวันก็โทรศัพท์เข้าหาเบอร์ของสามีอยากจะฟังเสียงที่อัดเอาไว้ทุกเชา้าก็ทำอาหารให้กับให้สามีเอาอาหารมาวางไว้บนโต๊ะที่สามีเคยนั่งใจเนี่ยนึกถึงแต่สามี จนลืมจนไม่สนใจลูกสาวนะอาอยุสิบสองเหมือนกับไม่มีลูกสาวอยู่ในบ้านเลยนะเพราะในใจเนี่ยมันมีแต่สามีคนเดียวอันนี้ก็เรียกว่าถูกครอบนะถูกครอบด้วยความเศร้าจนกระทั่งไม่รับรู้บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเลยเปรียบไปก็เหมือนกับอยู่ในคุกนะเหมือนอยู่ในคุกเป็นคุกที่ มีแต่กำแพงล้อมรอบนะหรือแต่เปลี่ยวเป็นบ้านก็เป็นบ้านที่มืดทึบนะแต่สติที่มันช่วยทาให้เราได้เห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวตามความเป็นจริงถ้าเป็นถ้าเป็นคุกก็สติก็เหมือนกับหน้าต่างสติเหมือนกับหน้าต่างที่ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเห็นโลกกว้างนะไม่ถูกครอบด้วย อ, อารมณ์ นะจนเหมือนกับถูกขังนะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในคุกควเราถ้ามีสติเนี่ยมันจะรู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยนะจะรับรู้โลกที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าไม่รู้ตัวนะหลงนะเพราะความหลงเนี่ยหลงเพราะ่ถูกอารมณ์ครอบเศร้านะโศกเสียใจอะไยอาวรณ์โกรธเกลียดนะหรือแม้แต่ความฟุ้งซ่านนะใจลอยไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบางเนี่ย มันไม่เห็นอะไรเลยโลกทั้งโลกอยู่ข้างหน้าแต่ไม่รับรู้คนอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรหรืออย่างถ้าใจลอยตอนเนี้เนะี่ยก็อาจจะไม่รู้อาตมาพูดอะไรไปนะทั้งที่พูดอยู่ต่อหน้าเนี่ยอันนี้แล้วว่ามันถูกครอบนะแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยนะหรือทำให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยเออเรารับรู้โลกข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหน้าเราได้สติเนี่ยเปรียบเหมือนกับหน้าต่างนะ แต่ในรายการสติก็ทําให้เราเนี่ยรู้รู้ทันหรือได้เห็นใจตัวเองว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงนะเรากําลังคิดอะไรอยูนะ่บางทีมันคิดโดยไม่ตั้งใจก็สตินี่แหละที่ทําให้เรารู้นะว่าเผือคิดเรื่องอะไรทำให้าาเราได้สังเกตเห็นใจตัวว่าตอนนี้กําลังเศร้ากำลังโกรธกําลังโมโหนะตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านเนี่ยทำให้รู้จักตัวเองพูด ง, ง, ง่าย ในแง่นี้สติก็ทำหน้าที่แค่แค่กระจกนะเรามีกระจกเงาเพื่ออะไรนะเพื่อเชืได้สองหน้าตัวเองคนทั้งวันนี้เนี่ยใช้กระจกสองหน้าดูผมดูหน้าตาดูเรือนร่างตัวเองเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่สครั้งนะเป็นสิบครั้งกันนะถ้าอยู่ที่บ้านหรือถ้าอยู่ในในในโลกกว้างโลกปกติเนี่ยอยู่วัดอาจจะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะเพราะว่ากระจกมันมีน้อย แต่ที่อื่นเนี่ยมันมีกระจกให้ดูเยอะเลยแล้วคนสมัยใหม่เนี่ยก็คนสมัยนี้ก็ดูกระจกนะเพื่อจะได้ดูหน้าดูตาตัวเองว่าสวยไหมขี้เหล่ไหมนะมีนะมเหงื่อเยอะไหมแต่ลืมนะลืมที่จะดูใจตัวเองไม่เคยได้ดูใจตัวเองเท่าไหร่นะดูแต่หน้าตาแต่ถ้าเรามีสตินะสตินเนี่ยมันจะเหมือนกับกระจกที่ทำให้เราได้เห็นใจตัวเองว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงฟูหรือแฟบนะ ดีใจเสียใจเศร้าเบื่อเซงล้าเหนื่อยนะรู้แล้วมีประโยชน์อะไรรู้แล้วมันช่วยทาให้เราละได้นะรู้ว่ากำลังโกรธรู้ว่ากำลังเศร้ารู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านก็ทําให้ละไออารมณ์และความคิดเหล่านั้นได้นะสติทําให้เรารู้จักตัวเองทําให้เรารู้ตัวนะท่านจึงเรียกว่ามันเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันนะเป็นทั้งหน้าต่างที่ทําให้เราได้เห็นโลกกว้างตามความเป็นจริง นะไม่ถูกปิดนะ ถ, ถูกครอบด้วยอารมณ์จนมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนกระจกที่ทำให้ได้เห็นตัวเองนะแต่ไม่ใช่เห็นหน้าตาแต่เห็นที่ลึกไปกว่า น, นั้นคือเห็นจิตเห็นใจตัวเองและมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะหลุดจากความเศร้าหลุดจากความทุกข์ไดนะ้คนเราทุกข์ก็ทุกข์เพราะความลืมตัวนะทุกข์เพราะความหลงเท่านั้นแหละนะและวพอหลงแล้วเนี่ยกิเลสก็เข้ามาครอบงาได้ง่าย นะคนเราถ้าถ้าไม่หลงนะกิเลสมันก็ชักจูงนะให้ทําช่วได้ยากหรือชักจูงให้ทําความทุกข์ตัดตัวเองและคนอื่นได้ยากนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์หรือไม่อยากสร้างความทุกข์ให้กับใครหรือไม่อยากทําสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยนะก็ต้องอย่าปล่อยให้ความหลงมาครอบงำํำนะวิธีที่จะทําให้ความหลงเนี่ยมันครอบงําใจเราไม่ได้คือหาสิ่งตรงข้ามคือตัวรู้นี่แหละ ความรู้ตัวความรู้สึกตัวหรือว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เรียกไม่ค่อยเหมือนกันทีเดียวแต่ก็ความหมายคล้ายๆกันความหมายเดียวกันนะทำความรู้สึกตัวให้มากขึ้นนะโดยพาตอนนี้เนี่ยนะข่าวสารบ้านเมืองเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักๆเรื่องที่มากระทบแรงๆไม่เคยเจอในชีวิตนี้นะเกิดมา 60- 70ปิปีไม่เคยเจอนะเหตุการณ์ ที่ในหลวงจะสวสวรรคตมันมากระแทกทำอย่างแรงทำให้จิตใจเนี่ยรู้สึกอ้างวาง้างเศร้าโศกอะไรเนี่ยอ่าก็ต้องนะต้องยิ่งเห็นความสาคัญเห็นความจาเป็นการที่จะสร้างความสึกตัวให้มีขึ้นเศร้าได้นะแต่ว่าอย่าเป็นผู้เศร้านะ เ, ออเห็นมันนะอย่าเข้าไปเป็นคนเราก็ห้ามความโกรธไม่ได้นะ แต่ว่าเมื่อความกลัวมันเกิดขึ้นก็เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นมันความคิดฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะเราห้ามไม่ได้นะเป็นธรรมชาติของจิตแต่ว่ามันคิดฟุ้งซ่านทีไลเราก็เห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นมันนะความกลัวก็เหมือนกันนะความกลัวเกิดขึ้นตราบใดที่เราเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องมีความกลัวแต่มันเกิดขึ้นเราห้ามมันไม่ได้นะเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ยังมีอวิชชาเนยะ บางครั้งก็ยังเผลอคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เลยเกิดความกลัวเกิดความวิตกเกิดความกวยวายแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราทำได้คือว่าเห็นมันรู้ทันมันไม่เข้าไปเป็นมันอันนี้แหละคื อ, อการบ้านนะหรือแบบฝึกหัดนะที่เราต้องพยายามทำอยู่เสมอนะแล้วก็ผ่านไปให้ได้ตอนนี้เนี่ยนะเราก็เจอกับ้านยา ก, ยากนะ เจอการบ้านง่ายๆมาเยอะแล้วหรือว่าเจอการบ้านที่คุ้นเคยมาเยอะแล้วไอ้การบ้านที่ไม่คุ้นเคยนะมันก็มาหาเราเราก็ต้องยินดีต้อนรับมันแล้วก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่จะมาช่วยให้เราฉลาดเป็นสิ่งที่มาช่วยทำให้เราเกิดปัญญาเป็นสิ่งที่มาช่วยทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวทำให้เรารู้นะรู้ทางนะของกิเลสรู้ทางความหลงนะที่มันจะเข้ามาจู่โจม แล้วก็ค้อมงามจิตใจของเราก็ไม่ปฏิเสธไม่ผักใสนะแต่ว่าไม่โชวโอกาสให้กิเลสเนี่ยมันมาใช้เป็นข้ออ้างในการที่ครอบงำจิตใจหรือปล่อยให้เราจมอยู่กับความความความทุกข์ความหลงตัวลืมตนนะตั้งสติให้ดีเอ อ, นะอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจก็รู้ทันนะความคิดใดเกิดขึ้น นะก็ไม่ปล่อยให้มันครอบงําใจใจเผลอคิดโน่นคิดนี่อา้ากลับมานะมีสติอันนี้เป็นเวลานะที่เร า, าต้องเร่งทําความเพียรเป็นช่วงเวลาหรือเป็นโอกาสที่เราต้องรีบฉวยนะเพื่อทําความสึกตัวให้เกิดมีขึ้นและนี่ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะสืบต่อาศาสนาแล้วก็สืบต่ อ, อปณิธานของในหลวงทางหนึ่งนอกจากการทํากิจ ทำหน้าที่สร้างสรรค์ประโยชน์ทำคุณงามความดีแล้วก็อย่าลืมทำทำจิตเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดก็คือการทำจิตซึ่งมันจะช่วยทำให้การทำกิจของเราเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมอ่าชาแนลพดกันเนท่า น, นนะครับร